บุกทูเก้าสิบห้านุ่นตเียอสัสคำสันธานสองลีเดอ์สัตเร์ดเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ ใครสักคนจะอยนุ่งนักคุน่งนมตั้งแต่เธอแต่งงานหรื อ, อ, งงรอช่วพรีมาทซรเทซสใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานป๋ออายุนุ่งปนัมาช่วครอมารตัวป๋อ ayo นกพนมชัคคูอมาัวตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย ช, ยมชยูมาัว ayo นุกพูนชัคคูมาัว ayo นุกพูนนนมตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข ชัก่กุลนิฮินอาตาแอนท์เลลมตัวชักว่กุลนิฮินแต่วตตพวกเขามีลพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยชลยนเนมธ่อ เธอโทรศัพท์มาตอนไหนคุณจะโทรโยอายุคุณโดเทเโยอายุขณะขับรถหรือเจตุสติมิตจัอุสติมิตใช่ขณะที่เธอขับรถพอดูเกรมาคินันพอดูเกงกา เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าอูโทรทัศน์ขณะที s เธอรีดผ้ เทเลวิซอร์คูลเฮกุรัสเธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงานไอโอติจอนมูสิกคูบ e นเดตูเ s ตชุดพิสไอโอติจอนมูสิกคูบันเดตูเอตแอชุดพิส d i ฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น Nuk shikoj asgjë kurs kam คัมซูเซ็ดนุกชิคอยแอสเซียวคุรส์คัมซูเซ็ดดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปนุกคุปโตยแอสเซียวคุรมูสิกาอชต์เคชเอเลาร์ตนุกคุปโตตดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นวดัดนุกนุฮา ส, สูฟนุกนรเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกเ น, นกซี่กรเราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกลอตเตอรี่นตอเอ์อตถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าวนติโลยมทาน โดูทุกเรื่องมาทำมาน่าใช้สวียนนช่วท์กรุณาไปที่ www. b o o k 2 de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด